ทีนี้พวกเจ้าทิฐินั้นนะนะถ้ายึดมั่นถือมั่นทิฐินับถืออภิเสกใจตัวเองแล้วก็วิวาสไปข้างหน้าในโลกนะก็ทะเลาะไปเรื่อยใช่ไหมนะถือถือถ้าถือรัฐีของตัวเองนะเที่ยวไปสํานักไหนก็ทะเลาะไปกับเขาหมดแล้ลองยืนยันดูสิแค่เนี้ยตอนเนี้ยคุณมุนชูยืนยันอย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะี่คุณไปทุกข่ายเหรอเนี่ยนะคุณไม่ยอมเปลี่ยนด้วยนะนะหนักแน่นในหลักการของตัวเองแล้วก็พูดไปเหรอเนี่ยนะแล้วก็ตปสิบแห่งนะคุณได้ศัตรูสิบ ถ้าไปร้อยก็ได้ศัตรูมาร้อยอ่ะใช่เขาเห็นเรานะเขาหนีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยถ้ายึดถือในรับที่อย่างนี้ก็จะทะเลาะวิวาดกันไปเรื่อยนะเที่ยวไปที่ไหนก็ศัตรูเต็มไปหมดอ่ะอนาโคเรียกว่าข้างหน้าเจ้าทิถฐินั้นอ่ะตั้งวาทะาของตนในข้างหน้าย่อมถึงเข้าถึงเข้าไปถึงยึดมั่นถือมั่นซึ่งความทะเลาะ ความหมายมั่นความแก่งแย่งความวิวาดความทุ่มเทียงด้วยตนเองแม้ด้วยเหตุดังนี้อย่างนี้ชื่อว่าเจ้าที่ถินั้นอ่ะย่อมถึงความวิวาดในข้างหน้าอีกอย่างหนึ่งเจ้าที่ถินั้นย่อมทําความทะเลาะหมายมั่นแก่งแย่งทําความวิวาททุ่มเทียงกันกับบุคคลที่กล่าวในข้างหน้าว่าท่านไม่รู้ทำ ม, มากนี้นะก็ทะเลาะเขาเข้าทั่วไปหมดนะนะนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าวิวาดไปข้างหน้าในโลกทีนี้ถ้าหากว่า ชันตุชนเนี่ยละทิฐิเนี่ยนะก็คือทิฐิที่ตกลงใจนะทิถิหกสิบสองว่าชันตุชนเนี่ยละสละทิ้งปลดปล่อยบรนเทาทําให้สิ้นให้ถึงความไม่มีซึ่งทิฐิที่ตนตัดสินใจแล้วทั้งปวงก็คือละทิฐิคําว่าละทิฐิเนี่ยละได้ยังไงเนี่ยนะทิฐิต้องก็ถามว่าทิฐิอาศัยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะก็สูตรเขาเขาว่าปุตชนทั้งหลายผู้ไม่ได้สดับใช่ไหมปุตชนผู้ไม่ได้สดับ ผู้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่มีสังวรวินยัยประหานวินัยของพระอริยะไม่เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่มีสังวรวินยัยไม่มีประหานวินัยของพระอริยะ <im it> ก็จะเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนเห็นตนเนี่ยมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเห็นว่า เวทนาอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยในตนหรือว่าตนตนเนี่ยเอ่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนหรือว่าตนอยู่ในในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจริงๆแล้วตนน่ยมีไหมอาศัยอะไรเป็นตนเนี่ยมันมันจริงๆแล้วก็คือขันธ์ห้าหรือขันธ์ห้าถ้าขยายตามทวารก็คืออายตนะสิบสองเนี่ย หรือถ้ากล่าวตามท่าก็คือท่าสิบแปดตามทวารต่างๆก็เป็นขันอาญาตะนาทา่าเพราะฉะนั้นตนจึงไม่มีเมื่อไม่มีตนถามว่าตานี้เกิดจากปัใจจัยใช่ไหมหูจมูกลิ้นเกิดจากปัใจจัยใช่ไหยก็ใช่เพราะนั้นอะไรอ่ะเป็นปัใจจัยให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะก็เบื้องต้นอวิชากับตันหานั่นแหละเป็นเป็นสมุ ท, ทยัยกรรมก็จําแนกให้ตาเป็นต้นเนี่ยเลวหรือประณีตเจริญเติบโตด้วยอาหารและภาษะเนี่ยนะ ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายก็ดํารงอยู่ด้วยอาหารใจก็ดํารงอยู่ด้วยภัสสะหรือดํารงอยู่ด้วยนามรูปนะทั้งสมการเนี่ย น, นะก็เป็นอย่างนี้ขันทั้งหลายในปัจจุบันก็เกิดจากปัจจัยขันในอดีตก็เกิดจากปัจจัยขันในอนาคตก็เกิดจากปัจจัยเนี่ย น, นะก็จะเกิดจากปัจจัยอีกเหมือนกันนะขันเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงขันในปัจจุบันนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงขันในอดีตเที่ยงหรือไม่เที่ยงขันในอนาคตเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั่นนะ ขันขันทั้งหลายเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราก็ไม่ควรเนี่ยนะทีนี้เมื่อไม่สําคัญว่าสิ่งนั่นเป็นเรา น, านั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยนะก็เพราะอะไรเพราะขันมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเมื่อขันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ จะสําคัญว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราได้อย่างไรนั้นขันเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณี๊ยตใกล้ไกลเหมือนกันหมดในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้เหมือนกันเมื่อเหมือนกันอย่างนี้นะมันเมื่อบุคคลตามเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาก็ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน โรคเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่าลืมว่ามิจฉาทิถีนี่อาศัยขันใช่ไหมถ้าหลุดพ้นไปจากขันเนี่ยพ้นความยึดถือขันถามว่าจะทะเลาะกันเพราะขันอีกไหมก็ไม่ทะเลาะจะมีทิถีเพราะขันอีกต่อไปไหมไม่มีเนี่นะก็เหมือนกับว่า เ, เราตายพ้นไปจากโลกนี้แล้วนะสมมตินะสมมติว่าเราตายพ้นไปจากโลกนี้ถามว่าเราจะมาทะเลาะกันเรื่องโลกนี้ไหมไม่ทะเลาะสมมุติถ้าอย่าง เราพ้นจากที่ใดที่หนึ่งแล้วนะเราจะไปทะเลาะกับสิ่งนั้นนั้นไหมไม่ทะเลาะเพราะในการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการเกิดมิจฉาทิฐิก็เพราะอาศัยขันห้าผู้ที่ตัดฉันราคาในขันห้าได้เนยะจะไม่ทะเลาะกันเพราะขันห้าจะไม่มีทิฐิเพราะขันห้าเลยเพราะเขาหลุดพ้นแล้วไปจากขันห้า เพราะฉะนั้นชันตุชนเนี่ยนะก็คือละละทิฐิคําว่าละทิฐิก็คือละขันห้านะนะั่นแหละละฉันทราคะในขันห้าคือเห็นขันห้าตามเป็นจริงว่าขันนั่นแหละเป็นขันขันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยถ้าตัดสมุทฐานตัดปัจจัยแล้วขันห้าก็จกดับเนี่ยนะงนั้นขันห้าก็ไม่ใช่ตนแล้วก็ไม่ใช่ของตนเมื่อไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนถ้าตัดปัจจัยได้แล้วเนี่ยขันห้าอันนี้ก็ถึงความ ความดับไปเนี่ยนะความสิ้นไปขั้นข้อปฏิบัติที่จะตัดฉันทราคะตัดตัดใ จ, จของขันห้าก็คืออะไรก็คือการตามเห็นขันห้านั่นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาขั้นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดทิฏฐิก็ตามเห็นขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วปัญญาที่ตามเห็นเป็นขันด้วยไหมก็เป็นเด็กนะครับตามเห็นขันโดยประการทั้งปวงเมื่อเห็นขันโดยประการทั้งปวงที่ เกิดขึ้นด้วยอำนาจของปจัจจัยไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะจนสา ม, มารถตัดฉันธราค่ตัดเยื่อใหยในขันห้าได้ด้วยการเห็นอริยสัจเนี่ยนะเมื่อเห็นอริยสัจก็ตัดทิฐิโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นผู้ที่ละทิฐิได้อย่างนี้ก็ไม่ถึงความวิวาดทุ่มเทียงกันในโลกความว่า ชันตุชนย่อมไม่ทําความทะเลาะไม่ทําความหมายมั่นไม่ทําความแก่งแย่งไม่ทําความวิวาทไม่ทําความทุ่มเถียงเนีย่ยนะไม่ได้ทุ่มเถียงในเรื่องขันห้าด้วยอำนาจทิฏฐิอีกต่อไปสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะภิกษุมีจิตพ้นวิเศษแล้วอย่างนี้ย่อมไม่โต้เถียงไม่วิวาทกับใครๆเนีย่ยนะสิ่งใดที่เขากล่าวกันในโลกก็กล่าวตามสิ่งนั้นแต่ก็ไม่ได้ถือมั่นนะนะก็เหมือนกับว่า เราไม่ได้ยึดถือสิ่งนั้นแล้วนะจะไปโต้เถียงทะเลาะกันเพื่ออะไรเนี่ยจึงไม่มีมันผู้ที่ตัดฉันทราคาในขันท่าโดยประการทั้งปวงจะไม่ถือทิฐิแล้วทุ่มเถียงกันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะทิฏฐิทั้งหลายก็เกิดจากขันท่าขันท่านั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งทิฐินั่นเองเมื่อรู้ทิฐิตามเป็นจริงก็ไม่เถียงกันแล้วเนี่ยนะคือเหมือนกับว่าถ้ารู้สมมุติว่าอย่างเสาเนี่ยก็มีคนเข้าใจว่าเสาเนี่ยมันเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายไงนะ ก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยสดศเสาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายงันก็สอนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเสา เ, น, เ, เ, า เ, น, เนี่ยเสาเนี่ยรู้ว่าอะไรว่าไป น, นั่นว่าไปเรื่อยเอาว่าันถ้าถ้าเราก็ คือถ้ารู้แยกแยะเสาตามความเป็นจริงใช่ไหมว่าเสาเนี้ยมีองค์ประกอบว่าด้วยอะไรบ้างอะนะถ้าแยกแยะได้จริงๆตามเป็นจริงแล้วจะไปทุ่มเถียงอะไรว่ามันเป็นหญิงหรือมันเป็นชายก็ไม่มีไม่มีประโยชน์เนี่ยนะคิดว่าเครื่องเสียงเนี่ยที่เราพูดแล้วมันดังๆเนี่ยนะมันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอันกะ็เมื่อรู้องค์ประกอบมันก็ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายทั้งนั้นแหละแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยประชุมกันขึ้นเนี่ยนะถ้าจะเสียหายก็เพราะสิ้นปัจจัยเนี่ยนะเป็นต้นนั่นแหละ เมื่อรู้เหตุรู้ปัจจัยเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ไปยึดมั่นอะไรเนี่ยนะก็ถ้าใครเถียงว่าเครื่องเสียงนี้เป็นหญิงเป็นชายก็ไม่ต้องแล้วก็เถียงกันไปเนี่ยนะไม่รู้จะไปเถียงด้วยทําอะไรนะเออเหมือนกับเห็นคนตาบอดเถียงกันในเรื่องช้างอ่ะนะช้างเหมือนเสาช้างเหมือนกระดงช้างเหมือนหยุงข้าวเนี่ยถามว่าถ้าเรารู้ตามเป็นจริงเราจะไปนั่งเถียงกับพวกตาบอดไหมไม่เถียงเนี่ยนะไอ้คำว่ารู้ตามเป็นจริงก็คือรู้ตามเป็นจริงว่าขันห้าไม่เทียเ่ยงเป็เนทุกเป็น อนัตตาเมื่อรู้ขันห้าไม่เที่ยงก็ละมานะได้ใช่ไหมเห็นขันห้าด้วยความเป็นทุกข์ละตัณหาได้เห็นขันห้าด้วยความเป็นอนัตตาละทิฏฐิได้เมื่อละตัณหามานะทิฏฐิแล้วก็โ้ใครเถี่ยงก็เถี่ยงกันปเนี่ยนะฉันไม่เถี่ยงด้วยโรคเนี่ยนะคำว่าชันตุชนก็คือสัตว์นรสมานบบุรุษบุคคลผู้มีชีวิตสัตว์ผู้เกิดสัตว์ผู้เกิดผู้มีกรรมมนุษย์เนี่ยนะ คำว่าในโลกคืออบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุอายตนะโลกฉะนั้นจึงชื่อว่าชันตุชนเพราะฉะนั้นผู้ที่ละมิจฉาทิฐิได้อย่างนี้ก็ไม่ทําความบาดหมางในโลกอันสรุปว่าเจ้าทิฐินั้นตั้งอยู่ในทิฐิ62นับถือตัวเองแล้วก็ถึงวิวาทกันไปข้างหน้าในโลกชันตุชนเนี่ยถ้าละทิฐิคือเห็นตะขันธ์ห้าตามเป็นจริงตัดชันธราคาในขันธ์ห้าได้แล้วเนี่ยก็ไม่ทําความบาดหมางกับใครในโลกดังนี้เนี่ยนะ ก็จบข้อความในสูตรนี้ก็เทวดาบรรลุเป็นผ้าหันแสนโกดเนี่ยนะบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นหาประมาณไม่ได้นนี้ก็เป็นข้อความจบข้อความในจูละวิยุหสูตรที่สิบสอง